ข้อความในคัมภีร์พุทธวงศ์ต่อจากครั้งที่แล้วนี้มาขึ้นวงของพระโกนธัญญาพุทธเจ้าที่สองวงของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนธัญญะที่สองในพุทธวงศ์นั่นหละคือหลังจากที่พระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนธัญญาได้พยากรณ์พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า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 กับหนึ่งในยาวอย่างนี้แหละทีนี้หลักหน่วยเนี่ยนะถ้าหน่วยหมายควว่าถ้าเลขศูนย์หตัวก็เป็นหลักสิบใช่ไหมถ้าเลขศูนย์สองตัวก็เป็นหลักร้อยถ้าเลขศูนย์สตัว4ตัวห้าตัวหตัวเจตัวจนถึงเลขศูนยตัวเรียกว่าอาสงไขยท่านก็อสงอผ่านไปหนึ่งอสงไขยเต็มๆนะซึ่งระยะเวลาเนิ่นานานมาก พระโพธิสัตว์ได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเองในเวลาที่ผ่านเป็นหารพอมาถึงอสงไขยที่สองก็มาพบพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนทัญญาดังข้อความในพุทธวง์หน้า306ข้อ3กล่าวว่าต่อจากสมัยพระทีปังกรพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนทัญญะผู้นําโลกผู้มีพระเดชไม่มีที่สุดมีพระยศนับไม่ได้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 ทำมาพิสมัยการตรัสรู้ทำครั้งที่สองได้มีแก่สัตว์เก้าหมื่นโกดไม่มีเราอยู่เลยเนาะจะกี่หมื่นกี่แสนก็อดีตการหลายท่านก็ถามมาตอนนั้นไปทําอะไรอยู่เน้นตอนละชาตินั้นๆพบนั้นเมือ 4, อม่อเสียเมื่อสามอสงไขที่แล้วไปทําอะไรอยู่ก็บอกก็ทําทเหมือนอสงไขนี่แหละอสงไขนี่บอกทาเหมือนชาตินี้บอกโอ้แล้วชาตินี้ศึกษาธรรมะกี่วันเนาะ ในจำนวนเป็นหมื่นหมื่นวันเนี่ยนะสมัยเมื่อพระองค์เนส่งขมเดรัจฉีแสดงธรรมก็คือขมเดรัจฉีด้วยการแสดงยมกะปาฏิหาริย์ธรรมมาพิสมัยครั้งที่สมได้มีแกสัตว์8ดหมื่นโกดพระโกนธัญะญพุทธเจ้าผู้สแสวงคุณผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงมีสันนิบาตการประชุมพระขีนาศกคือพระอรหันต์ผู้ไร้มนทินผู้คงที่สามครั้ง คือครั้งที่หนึ่งเป็นการประชุมพระขีนาศพจํานวนแสนโกดครั้งที่สองจำนวนเก้าหมื่นโกดครั้งที่สามจำนวนแปดหมื่นโกดเบ๋อเอ้ไปอยู่กันตรงไหนนะมากมายขนาดนั้นไม่ต้องห่วงคนมีบุญก็รอะนะคนมีบุญเขาอยู่ได้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องไปกังวลแทนท่านหรอกว่าท่านจะฉันกันยังไงจะอยู่กันยังไงแหมเดือดร้อนแทนท่านได้เกินเงนินแต่ท่านเหล่านั้นเป็นพระรหาร์ สมัยนั้นเราเป็นกษัตริย์นะนะพระโพธิสัตว์ของเราเนี้เกิดเป็นกษัตริย์พระนามว่าวิชิตาวีครอบครองอิสริยาธิปัตดเนื้อปัตภีมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตมีบุญมากนะแสดงว่าบุญตอนที่ทําไว้ตั้งแต่สมัยสุเมศบัณฑิตเป็นต้นมาให้ผลเลยเกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเราก็เลี้ยงคือทําบุญเลี้ยงพระขี่นาศพจํานวนแสนโกรธผู้ไร้มนทินผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่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 ตั้งความเพียรธรรมทุกขระกิริยาณนะควงต้นอาชาปาลนิโครดคือพระองค์ทําทุกขระกิริยาบําเพ็ญเพียรที่โคนต้นไทรเป็นใหญ่เป็นหลักนะพระองค์ทรงรับข้าวมาทุปายาตนะที่นั้นแล้วจะเข้าไปยังแม่น้ําเนรัญชราเรียกว่าข้ามฟากไปอีกฝั่งหนึ่งพระชินาเจ้าเสวยข้าวมาทุปายาตนะริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชราจากเดินตามทางที่เขาตกแต่งดีแล้ว เข้าไปที่โคนโพพฤกต่อจากนั้นพระผู้มีพระยศใหญ่จักทาประทักศินโพที่มัณฑสถานอันยอดเยี่ยมจักตรัสรู้ที่โคนต้นโพพฤกเชื่ออาศทะแปลว่าต้นโพใบเป็นไซชนิดหนึ่งนนะตระกูลพันไซพระชนนีของท่านผู้นี้คือผู้นี้คือใครพระเจ้าวิชิตตาวีผู้นี้เนี่ย จกมีพระนามว่าพระนางมายาพระชนกพระนามว่าพระเจ้าสุโทโธทนะท่านผู้นี้จะมีพระนามว่าโคดมคู่พระอัครสาวกชื่อว่าโกริตะและพระอุปติสสะเป็นผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่นพุทธอุปถากชื่อว่าอานันทะจากบำรุงพระชินะพุทธเจ้าพระองค์นี้ มีคู่พระอัคระสาวิกาเชื่อว่าพระเขมาและพระอุบลวณาเป็นผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่นต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกกันว่าอสสัต t ะต้นโพใบหรือว่าต้นใสใบก็ได้นะมีอักระอุปถาคเชื่อว่าจิตตะและหัตถละวกะ อ, นนะอุปถาที่เป็นค า, ารวาสเนี่ยนะคนหนึ่งชื่อว่าจิตตะฤห บ, บดีอีกคนหนึ่งชื่อว่าหัตถอลาวกะหัตถอลาวก ะ, กะก็คือคนที่อลาวกะยักปล่อยไปจากมือแล้วก็ถวายที่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็รับด้วยมือก็เลยชื่อว่าหัตถอลาวกะมีอัครอุปทายิกาอุปทาคโยมเนี่ยนะชื่อว่านันทมาตาและอุตรา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 เปลิมว่าไงเปลืมว่าท่านผู้นี้เป็นหนอเนื้อพุทธังกูลคือหมายคําว่าแม้มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดผู้ยิ่งใหญ่หมาบ น, นั้นเถอะผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตก็เลยดีใจหมื่นโลกธาตุพร้อมทั้งเทวดาก็พากันหูวร้องปรบมือหัวร่อร่าประคองอัญเชลีนมัส ก, การกล่าวว่าฝ่ายพวกเราถ้าเกิดพวกเราเนี่ยนะพลาดจากคําสอนของพระโล ก, กนาฏพระองค์นี้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 เขนับกันกี่ล้านตารางกิโลเมตรกี่ล้านตารางกิโลเมตรที่พระองค์เอามาเป็นพุทธบูชาพร้อมทั้งทรัพย์รัตนะค่าธาตุบริวารทั้งหมดยกเป็นพุทธบูชาหมดเลยนะแปลว่าผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยต้องมีรัชบริจาคต้องบริจาคราชสมบัติจะต้องบริจากราชสมบัติทีนี้ชาตินั้นก็ดีเลยได้นาบุญชั้นเลิศคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งนั้นถวายราชสมบัติอันยิ่งใหญ่แล้วก็บวชในสำนักของพระองค์พระโพธิสัตว์ก็เล่าเรียนพระสูตรพระวินัยและนวังฆาสัตุศาสตร์ทั้งหมดกระทําพระาศาสนาของพระชินเจ้าให้งดงามก็ร่ําเรียนพระธรรมคําสอนของพระองค์ทั้งหมดโดยไม่มีส่วนเหลือแปลว่าผู้สรงพระไตรปิฎก เราอยู่ในศาสนานั้นคือในศึกษาในศาสนาในคําสอนของพระพุทธเจ้าโกนธัญญานั้นไม่ประมาทในอิระยาบทไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนถึงฝั่งอภิน ญ, ญาแล้วก็ไปสู่พรหมโลกชาตินั้นแตกชามพระไตรพิดกแล้วก็อภิน ญ, ญาห้เนี่ยนะถ้าได้อภิน ญ, ญาห้าแปล ว, ว่าสมาบัติ8ดได้อยู่แล้วได้อภิน ญ, ญาห้าสมาบัติ8ปดส่งพระไตรพิดกเนี่ยนะเข้าถึงพรหมโลกเลยผมีบุญจัง ผู้มีบุญนะเนาะทีนี้พูดถึงประวัติของพระพุทธเจ้าโกนธัญญะพิเศษเพิ่มเติมสักเล็กน้อยว่าพระโกนธัญญาพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่นั้นพระองค์เกิดที่นครรัมมาวดเีเมืองนี้มีหลายหลายชื่อนะแสดงว่ารัมมะเนี่ยสร้างเมืองใครก็อยากจะสร้างเมืองที่มันรื่นร่มนะเมืองหน้าอยู่ว่างั้นเถอะรัมมาวดีพระชนกทรงพระนามว่าพระเจ้าสุนันทพระชนณีพระนามว่า พระนางสุชาดาพระองค์ทรงครองคารวาสวิสัยอยู่หมื่นปีทรงมีปราสาทอย่างยอดเยี่ยมสามหลังเชื่อว่ารุจิประสาทสุรุจิประสาทแล้วก็สุภะปราสาทรุจิเนี่ยแปลว่าหน้ายินดีนะแล้หน้าเพลิดเพลินหน้าชื่นใจหน้าพอใจอะ่ะแต่ละหลังเนี่ยหน้าพอใจมากแล้วก็สุภาพปร า, าสาทแปลว่าปราสาทงามมีสนมนารีประมาณสามแสนนาง มีอัครามเมหสีพระนามว่ารุจิเทวีแสดงว่าตั้งชื่อปราสาทตามพระพระเทวีเลยเนี่ยตามอัครามเมหสีมีพระโอรสพระนามว่าวิชิตเสนะพระองค์หลังจากที่เห็นได้เห็นหน้าบุตรใช่เห็นหน้าบุตรก็เห็นนิมิตทั้งสี่แล้วก็เสด็จออกพิเนสกลมด้วยยานคือรถทรงพระองค์นี้ออกบวช ด, ด้วยนั่งรถนั่นแหละหมายความว่ารถม้านะไม่ได้นั่งบนหลังมา้าแต่นั่งรถมา้า พระชินเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ส0บเดือนเต็มบำเพ็ญข้อปฏิบัติทั้งหลายที่มีอยู่ในยุคนั้นเจริญสมถะวิปัสสนาอยู่สิเดือนเต็มพระมหาวีระโกนธัญะญผู้เป็นยอดแห่งสัตว์สองเท้าผู้สงบอันพรหมาราธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักแกเ่เทพยดาณมหาวันพระองค์นั้นทรงมีคู่อัรส า, าวกชื่อว่าพัทธและสุพัทธ อัคราข้างอัคราสาวกข้างขวาว่าพัทธะอัคราสาวกข้างซ้ายชื่อว่าสุ พ, พัทธะพระโกนทัญญาพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงมีพระพุทธอุปถาก์ชื่อว่าอนุรุทธะพระโกนทัญญาพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีคู่อัคราสาวิกาชื่อว่าติดสาและอุปติดสา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 พระขีณาศพเหล่านั้นผู้ไร้มนทินเหมือนท้องนภาอากาศงามด้วยหมู่ดาวแต่ละดอกไม้ในแผ่นดินก็ไม่งามเท่ากับอากาศอะไรนะหมู่ดาวงามระยิบระยับบนท้องฟ้านั้นถ้าหากว่ามองกลางคืนนะกลางคืนเนี่ยถ้ามองเห็นดวงเดือนก็นึกถึงดวงเดือนก็เหมือนพระพุทธเจ้าดวงดาวทั้งหลายก็เหมือนกับพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายของพระองค์การว่าชมดาวชมเดือนก็ได้บุญนะเนอะ ก็จะดูดาวดูเดือนดูแสงสว่างดูอะไรมันได้บุญหมดอ่ะนะถ้าดูเป็นอย่างนั้นเถอะถ้าคนมีพระรัตนะตรายเป็นอารมณ์เนี่ยนะเห็นอะไรก็เจริญได้พุทธะเห็นเห็นอะไรก็นึกถึงสารณะของตัวเองได้ทําไมสารณะจึงมีผลมากมีอ น, นิสงฆ์มากเพราะเห็นอะไรก็นึกถึงสารณะได้หมดผู้ที่เห็นอะไรแล้วนึกถึงคุณพระัตนะตรายได้สุขติก็เป็นอันหวังได้พระผู้มียศใหญ่เหล่านั้น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 พระพุทธเจ้าจึงเกิดขึ้นมาในโลกเพื่อช่วยให้เหล่าสัตว์พ้นจากความแก่และความตายคนนี้กลัวแก่กลัวตายแต่ไม่ค่อยกลัวเกิดทาบุญก็ขอให้เกิดจางเดือนนะส่วนใหญ่อักสาทุกเกิดชาติหน้าฉันใดอ่านะนะั้ะเกิดชาติหน้าเมื่อใดปานใดอย่างไรก็มีแต่ชาติหน้าไว้ก่อนนะนะลืมไปว่าชาติชารามรณะมันอยู่ใกล้กันใช่ไหมเอ๊ะชารากับมรณะมีตั้งแต่เมื่อไรเนาะบอกมีตั้งแต่เกิดนั่นแหละ เพราะว่าความแก่เนี่ยนะพอมีความเกิดัความแก่ก็ติดตามมาความตายก็รอโอกาสอยู่เสมอเนี่ยนะพร้อมเมื่อใดก็พร้อมที่จะเข้าประหรัตประหารเพราะว่าเชื้อแห่งความตายมาพร้อมกับความเกิดเกันทันสังขารทั้งหลายเนี่ยว่างเปล่าแท้โดยที่สุดแม่แต่สังขารที่เราเรียกว่าพระอรหันต์ตสมมาสมพุทธเจ้า พระโกนธัญญาพุทธเจ้าผู้ทรงสิริเสด็จดับขันธระปรินิพานณะพระวิหารนันทารามเจดีย์ของพระองค์ในพระวิหารนั้นสูงเจดยอเจดีย์สูงเฉียดฟ้านนะ ก, ก, ก็น่าจะสูงนะเพราะคนเนี่ยยุคนั้นโดยรวมๆก็สูงเจ็ดปดสิบอกเนี่ยนะสูงสามสี่ิเมตรกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนสูงมากเพราะว่าคนตัวเล็กๆอย่างเรานี่นึกไม่ออกมันเป็ น, นได้ยังไงนะอย่างว่านะ วิสัยนกกระเจาะทั้งหลายไม่เข้าใจรองพยาครุดบินอย่างไรเมืองนั้นนกกระจอะมันตัวเล็กนิดเดียวใช่ไหมมันกระพือปีกหน่อยนองก็ไปได้แล้วแต่ไม่เข้าใจเอ๊ะครุดที่มันสูงเป็นยอดยอเนี่ยนะบินไปยังไงอย่างเงี้ยเนนไม่เข้าใจแต่ว่าวิสัยของผู้มีบุญมีฤทธิ์มีอํานาจเนี่ยนะคนกระจอกไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับพระตนะตรัยเนี่ยบางอย่างเราก็ค่อยๆศึกษาไปถ้าเรามีบุญก็คงได้พบได้เห็นเองแหละเนี่ยนะ ข้อ <c oughs> ความที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยเป็นคาถาในพุทธวงศ์นี้มาดูในคำพีอัตถกถาชื่อว่ามัุรธะวิลาสินี น, น, นะความงดงามเนื้อหาลึกซึ้งหวานเปรียบน้ำผึ้งมัทุระเนี่ยมัทุรสเนี่ยความหวานประดุดน้ำผึ้งเพราะว่าคำพีนี้ถ้าศึกษาแล้วบอกว่าถ้ามีความรู้สึกว่าหวานแสดงว่าสมวัตถุประสงค์ของผู้เรียบเรียง แต่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะฟังแล้วก็เป็นคำพีที่ถ้าอ่านเข้าใจแล้วก็สบายใจเหมือนกันเพราะว่าอ่านแล้วก็เลื่อมสายเนี่ยนะโดยเฉพาะได้เลื่อมสายในพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นรู้จักพระพุทธเจ้ามากขึ้นพระพุทธเจ้าองค์ของเราบางทีเราเข้าใจไม่มากเมื่อเราไปศึกษาพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเราจึงจะเข้าใจพระพุทธเจ้าของเราได้ลึกซึ้งอย่างยิ่งขึ้นเนี่ยน ะ, นะในพันนา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 บวชตั้งกันเล็กพอเกิดมาปั๊บเนี่ยอายุเจ็ดขวบบวชสืบเนื่องไปจนอายุ80ปีตายแล้วก็เจ็ดขวบแล้วมาทอดทๆดอย่ออางนี้ประมาณ30รุ่นเองเออขอแภัประมาณตั้ง30รุ่นถ้าเทียบกับพระพุทธเจ้าองค์เนี่ยพระพุทธเจ้าทีปังกรสืบทอดกันแค่สองรุ่นสองรุ่นสามรุ่นาศาสนาก็หมดละเขาเลยบอกว่ า, าศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์กรก่อนนั้นไม่นานถ้าเทียบกับพระพุทธเจ้าของเราว่านั้น เพราะอันตรทานแห่งพระสาวกทั้งหลายนนะสาวกทั้งหลายของพระพุท ธ, ธและอนุพุท ธ, ธแม่ศาสนาของพระองค์ก็อันตรทานคือแสดงว่าพระพุทธเจ้าพระนามทีปังกรไม่ได้สอนมากเหมือนกับพระพุทธเจ้าของเรานนะพระไตรปิฎกไม่มากเหมือนกับพระพุทธเจ้าของเราห ล, ลายเรื่องสอนแต่อัฏฐสาระสาคัญสาคัญ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 นะนะบางบางแห่งเนี่ยคล้ายๆเป็นแบบนั้นเพราะว่าพระศาสนาเป็นเรื่องของผู้มีบุญถ้ายังมีผู้มีบุญอยู่คําสอนก็ยังอยู่ต่อไปได้ถ้าหมดบุญเมื่อใดเมื่อพี่ผู้มีบุญหมดบุญเมื่อใดอันตรธานะเนี่ยนะมันก็พันะนะนะคำสอนนั้นจึงต้องกระจายกระจายเนี่ยนะนะให้ผู้มีบุญมีเยอะเยะถ้าผู้มีบุญมีน้อยเท่าใดนะคำสอนก็เหลือไม่นาน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 ต่อมาภายหลังภายหลังจากนั้นหนึ่งอสงไขสล่วงมาเนี่ยนะศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนทัญญะก็มีขึ้นหรือพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนทัญญะก็อุบัติขึ้นในโลกพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงบำเพ็ญพระบารมีมาสิบหกอสงไขแสนกับโอเป็นวิริยาทิกะเลยนะเป็น มัมเพนบารมีนานมากทำบุญด้วยความภาคเพียรพยายามกุาหะอย่างแรงกล้าสั่งสมทานศีลนีคำ ม, มะปัญญาวิริยะขันติสาจาัจจะที่ฐานเมตตาอุเบกข า, านะบารมีสิบอุป ป, ปารมีสิบปรมัมภบารมีส0บมหาบริจักห้จริยาสามอธิษฐานธรรมสี่พุทธภูมิสี่เป็นต้น น, นะตลอดสอสงไขยแสนกับตลอด16อสงไขยเศษแสนกลับจึงได้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 พระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเหตุวาธีบุคคลสรนเริลการสร้างเหตุเนี่ยนะสรนเริลการสร้างเหตุจริงๆ